สายสัตว์เรัานที่ตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยนะถามว่ามีคุณมีโทษโทษมากโทษน้อยนนดูวิธีการมากหรือไม่น่าไปโยคะในที่นั้นคือความพยายามปรปโยคะใหญ่หรือปรปโยคะเล็กการประกอบความเพียรวิธีการต่างๆเหล่านี้นะเกี่ยวในเรื่องของ ไปโยค่าเนี่ยองของปานาติบาตนี่นะที่จะเป็นเหตุแห่งการร่วงกรรมบทหรือไม่ร่วงกรรมบทนั้นนะถ้าร่วงกรรมบทแล้วก็ทําให้สําเร็จเป็นชนกกรรมแต่งให้เกิดได้ในอบายภูมิได้อย่างแน่นอนแต่ถ้ากระทาบางอย่างไม่ร่วงกรรมบทแต่สามารถนําไปเกิดในใบภูมิมีได้ก็มีหรือว่าได้ก็มีอันนั้นก็ต้องไปดูกันพิจารณาอีกทีทีนี้ไปศึกษาก่อนที่จะมาเข้ารายละเอียดตรงนี้ไปทําความเข้าใจคําว่ากรรมบท กรรมะกับคำว่าปถาัถฐะหรือปัฏฐะปัฏถานั่นเองเนี่ยกรรมะปะัฏฐะ กรรมะเขแปลว่าการกระทําปัจะในที่นั้นนะปอปาทอถุงนั่นเขแปลว่าทางขนทางนั่นเองเมื่อรวมกันแล้วกรรมะปัจฉะนี่ยเขาแปลว่าการกระทําที่เป็นขนทางให้ไปสู่อบยภูมิการกระทําที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบยภูมิให้ไปสู่การเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานั้นเขาเรียกกรรมะปัจะหรือกรรมะบทนั่นแหละใช่ไหมถ้าพูดเป็นภาษาไทยเขาเรียกกรรมบทมาจากคาว่ากรรมะปัจะ พอ้สังเกต ด, ดู ว, ว่ากรรมบทในที่นี้บทนั้นเป็นชื่อของเป็นชื่อของหนทางถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้บอกว่าการกระทําอกุศลที่ก้าวล่วงกรรมบทและไม่ก้าวล่วงนั้นก็ต้องแล้วแต่องค์ประโยคคือองค์ประกอบในการกระทําเท่านั้นฉะนั้นการกระทําอกุศลทุกชนิดเนี่ยนะหรือว่าชนิดที่เป็นปาณาติบาต เป็นการก้าวร่วงกรรมบทนั้นเขาก็จะต้องมีองค์ประกอบของเขาเดี๋ยวเราจะไปศึกษาในเรื่องขององค์ประกอบนะลักษณะที่ดังที่ได้กล่าวบอกว่ามีวิการมากวิธีการมากหรือวิธีการน้อยนั่นแหละจึงมีโทษมากโทษน้อยแต่ถามว่า เมื่อมีประโยคคือวิการความเพียรพยายามต่างๆเสมอการเท่ากันนะปาณาติบาตนั้นให้ทราบว่ามีโทษมากหรือโทษน้อยนะื้วัตถุใหญ่ก็ตัวใหญ่ที่ในจํานวนที่มีคุณปัญหาคือว่าในจําพวกสัตว์ที่มีคุณมีมนุษย์เป็นต้นนะ่ยก็วัดกันที่ว่ามีคุณมากน้อยหรือคุณใช่ไหมคุณธรรมมากหรือคุณธรรมน้อยปาณาติบาตก็ให้ทราบว่ามีโทษมากหรือว่ามีโทษน้อยว่าเหตุแห่งคุณมากหรือคุณน้อยนั่นเอง นี้ดูในลักษณะอย่างนั้นคุณในลักษณะอย่างนั้นก็มีศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณอย่างนี้เป็นต้น น, นะนะถ้าถามว่าองค์ประกอบประโยคะแห่งปนานาติบาปานาติบาตนั้นต้องประกอบไปด้วยองค์หองค์5คือสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าความพยายามเพื่อจะฆ่าสัตว์นั้นตายลงด้วยความพยายามนั้นปาโนคําว่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยมาจากคำว่าปาโนเนี่ยถ้าตรกถามาขยายบอกว่า ปะระปาโนเขาแปลว่าสัตว์อื่นมีชีวิตนะอย่าลืมนะคำว่าสัตว์มีชีวิตเนะี่ยไม่ใช่หมายถึงตนเองนะหมายถึงบุคคลอื่นนะีสัตว์อื่นมีชีวิตปานสันยิตารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตแล้วก็วัฏกรจิตตังเนี่ยมีจิตคิดจะฆ่าไปโยโคเนี่ยทำความพยายามนี่ความเพียรพยายามที่จะฆ่าเพียรพยายามที่จะให้ตายกันเตน่าบรานังก็คือว่าสัตว์นั้นตายลงเพราะความ เพียรความพยายามนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าครบครบกรรมบวครบผลทางที่จะเป็นเหตุให้นําไปสู่อบายภูมินี่ชนกรรมีโอกาสแต่งเกิดทันทีอย่างเงี้ยนำปฏิสนธิพัวทันทีเลยถ้าครบนะถ้าเขามีโอกาสส่งผลนะทีนี้ประโยคแห่งการฆ่ามี6อย่างนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพิจารณาตรงนี้นะก่อนจะไปตามไปถึงประโยคะประโยคของความฆ่าหรือความพยายามนั้นมีอยู่6อย่างนะี ปาณาธิบาตเนี่ยที่เป็นมหาสาวชะและอภมอปสาวชะที่มีโทษมากกับที่มีโทษน้อยดังที่ได้กล่าวขยายตรงนี้นิดนึงช้างม้าโคกระบือเป็นต้นเนี่ยมีโทษมากเขาเรียกว่ามหาสาวชะวัดตามจํานวนก็อะไรชีวิตแตนวกะกกราของสัตว์นะจำพวกเนี้ถูกทําลายไปเป็นจํานวนมากตัวเขาใหญ่ใช่ไหมไอตัวชีวิตตโรคมันก็มีปริมาณมากเลยเพราะชีวิตตโรคทุกชีวิตตโรคทุกกลุ่มเนี่ยนะ ก็ เ, เกิดจะ ก, กรรมเป็นประมาณเป็นหมดเลยดงนั้นการฆ่าเนี่ยเราก็ทําให้ชีวิตรูปในจํานวนมากในร่างกายของเขาเนี่ยต้องวิบัติไปมากมันเหมือนกับว่าปล้นบ้านเลยเนะไปเผาบ้านหลังเล็กๆก็เผาบ้านหลังใหญ่ๆก็ดูตรงนั้นก็แล้วกันของมันไหม้มากถูกทําลายไปมากอันนี้ดูที่จํานวนเป็นมหาสาวชะส่วนอัปสาวชะ สัตว์เดรัจฉานประเภทเล็กๆในน้อยถ้าเทียบกับสัตว์เดรัจฉาน้วยกันนะ่ะเนี่ยหรือทำมนุษย์ทำมนุษย์ต่อมนุษย์ก็ไปพิจารณ나ยังไงพิจารณาในกลุ่มของมนุษย์ที่ทุศีลถ้าสัตว์เดรัจฉานยังไงยังไงไปฆ่ามนุษย์ที่ทุศีนเน่ยฆ่ามนุษยนะ์น่ยบาปกว่าเงี้ยนี่อันนี้วัดเดอว่าความนี่คุณธรรมของบุคคลนั้นเขาเขาการเป็นมนุษย์เขามาด้ยกุศล น, น, นั่นเนี่ยทีนี้ในกลุ่มของคนทุศีลคนมีศีลก็ต้องบาปมากกว่านี้ ก็ดูลักษณะเช่นนั้นตามลำดับไปทีนี้ภิกษุสา ม, มนเณนรผู้ร้ายพวกอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นก็มีโทษมากถ้าผู้ผู้ถูกฆ่าเป็นพวกโจรผู้ร้ายต่างๆนี้ก็มีโทษน้อยถ้าฆ่าบิดามารดาฆ่าพระรหารมีโทษมากไหมมากกว่าฆ่าพระธรรมดาย น, นะเป็นอนันตริยกรรมแค่นั้นลักษณะอย่างนี้ก็ต้องวัดกันในลักษณะว่านี่แหละคือกลุ่มของปาณอาทิบาตทีนี้ผู้ที่ทำปานอ า, าทิบาตนั้นผู้หนึ่ง ผู้ที่ทำปานาติบาตผู้หนึ่งรู้ว่าการกระทําเช่นนี้เป็นอกุศลมีโทษไม่ควรทําแต่ก็ทําลงไปได้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออีกคนหนึ่งไม่รู้เลยว่าการกระทําเช่นนี้เป็นบาปเป็นอกุศลต้อมีโทษทําลงไปในสองกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่รู้ว่าเป็นบาปกับกลุ่มที่ไม่รู้ว่าเป็นบาปแล้วก็ทําบาปเหมือนกันเนี่ยอะไรบาปมากบาปน้อยกันที่รู้บาปมากใช่ไหมผู้ที่ทำปานาติบาตโดยไม่รู้ว่าเป็นอกุศลนั้นมีโทษหนักกว่าผู้รู้ อย่างยอมงานเพชรรู้ว่านี้เป็นไฟแต่อีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นไฟอ่ะการเข้าไปจับเนี่ยหลวมตั ว, นรรวในการจับเนี่ยการมัดระวังในการจับนี่ต่างกันไหมนั่นแหละนะยอมงานเพชรจะรู้ว่าอะไรเป็นบาปเนี่ยถ้าไปเผลอทําบาปก็ทําน้อยแล้วก็จะไม่พยายามทําให้บาปนั้นต่ายต่อต่อติดไปเรื่อยๆบางคนไม่ได้นะเวลาไปทําบาปเนี่ยอุ้ยวิการ ว, วิจิตพิสดาลมากกลับมายังบอกแหมแค่นี้ยังไม่สารแก่ใจะ เติร์กเยอะนั่นแหละเคสเยูะนั่นแหละเขาเรียกว่าโอ้โหทีนี้ไปดูประโย ค, คะประโยคแห่งการฆ่าสาหัติกะคือความพยายามมี6อย่างประการแรกคือสาหัติกะคือพยายามที่ทําด้วยตนเองฆ่าโดยตนเองนั่นเองอานติกะอานติกะประโยคคือใช้ผู้อื่นฆ่านิสกิยะประโยคนั่นคืออะไรฆ่าด้วยสตราวุฒมีการพุ่งหรือปล่อยออกไปเนี่ย ว้างบางปลาบางเป็นต้นอะไรนะถาวรประโยคโห่ประโยคที่ถาวรประโยคได้ที่ถาวรคือสร้างเครื่องประหารอย่างถาวรเนี่ยขุดหลุมพรางเนี่ยทําเครื่องดักเขาไว้แบบถาวรเลยแ้่ใครมาแล้วติดหมดถ้าในกลุ่มของถาวรประโยคเนี่ยต้องมาพิจารณาในกลุ่มพวกทําระเบิดเนี่ยทําพวกระเบิดที่จะจะไปฆ่าทั้งหลายพวกนี้พวก ต้องถือว่าเป็นพวกกลุ่มถาวรประโยคนั่นนะเอาไปใช้เมื่อไหรเสียหายเมื่อนั้นนะลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าถาวรประโยคคือทําแบบถาวรเลยว่าทําแบบมั่นคงเลยว่าั้นฉะนั้นลักษณะของถาวปรประโยคนี่ในกลุ่มของบุคคลที่ถ้าถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะชัดเจนขึ้นนะนะทเครื่องมือดักเขาว่าพวกเครื่องมือพวกอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ดับทํารุมพางก็ไว้เป็นต้นเนี่ย ฉะนั้นในกลุ่มของท้าววานประโยคยนะในกลุ่มตรงนี้นั่นก็เป็นกลุ่มของการดัก นิสกิยะเนี่ยหมายถึงอะไรพยายามที่เกิดขึ้นโดยการปล่อยหรือทิ้งอาวุธขว้างเอวยยิงเอวยพุ่งเลยใช้แบบระเบิดเอลยนี่นะเอาระเบิดผูกตัวเองแล้วก็วิ่งไปชนเขาเงี้ยถือว่าเขาเรียกว่าทําอาวุธนั้นให้วิ่งชนเข้าไปเอาอาวุธผูกเอวผูกไรเบ็ดเสร็จแล้วหรือบรรทุกอะไรต่างแลก็ขับรถบรรทุกวิ่งชนเขาเนี่ยพวกนี้เป็นกลุ่มนินสกิยะแล้วก็วิชามายาประโยคนั้นก็ได้แก่ความพยายามที่เกิดขึ้นโดยการใช้วิชา ใช้วิชาคมทั้งหลายสายศาสตร์นั่นเองไอ้สยศาสตร์นี่อย่าลืมนะว่ามีจริงๆนะไม่ใช่ไม่มีบางทีก็ลักษณะการที่ไปฝังบ้างนะทำเป็นหุ่นทําเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะเอาไปเคี่ยนตีเอาไปทําลายไปเผาไฟเป็นต้นเนี่ยอย่างนี้เป็นวิชาอิทธิมายาประโยชคะหรือประโยคน์ก็คือเกี่ยวในเรื่องการแสดงอิทธิฤทธิ์การแสดงอิทธิฤทธิ์ที่เกิดขึ้นโดยอาศนะัยกรรมเรียกวกรรมชาอิทธิเนะี เช่นว่าใครเดียวพระเจ้าปิตุที่อยู่ในรังกาทวีปมีฤทธิ์ที่เคี้ยวพ อ, อามาก็โกรธโกรธท่านเศรษฐีก็เคาะที่เคี่ยวของตนเองเนี่ยก็ทําให้เศรษฐีถึงแก่ความตายทันทีเรือท้าเวสุวรรณเนี่ยจะมีตาอยู่ตรงกลางใช่ไหมถ้าลืมมาแล้วเนี่ยแหมกลุ่มพวกอสูนคองจะตายเลยเ ง, ยงี้ยอย่างลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใช้อิทธิฤทธิ์เป็นเป็นบุญของเขาอย่างหนึ่งเป็นกรรมขเขาอย่างหนึ่งที่จะต้องเครื่องมือในการที่จะทำฆ่าเนี่ย ทีนี้ถ้าไปพิจารณาก็คือเก่ยวในเรื่องของการฆ่าเนี่ยนะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้บอกว่าชีวิตตานวะก า, กากลาบเนี่ยดับลงเนี่ยในขณะที่ดับลงไปนะั้นะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้จิตและเจสิกของท่านผู้นั้นไม่สามารถที่จะสืบต่อมาได้ลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการฆ่านั่นเองการฆ่าเนี่ฆ่าแบบเจาะจงก็มีฆ่าแบบไม่เจาะจงก็มีใช่ไหมถามว่าถ้าฆ่าแบบเจาะจงเนะี่ยฆ่ายัางไงเขาบอกอย่างยกตัวอย่างเช่น ท่าในบางเรื่องท่ในกรรมนะเขายกตัวอย่างยังไงรู้ไหมท่านยกตัวอย่างบอกว่าอนกตัวหนึ่งเนี่ยเกาะอยู่บนหลังควายก็นกกระยางตัวหนึ่งผู้ฆ่ามีความประสงค์จะยิงนกนั้นแล้วก็ยิงไปกระสุนนั้นก็ถูกนกนั้นตายอย่างนี้เขาเรียกว่าฆ่าอย่างนั้นก้าวล่วงกรรมาบดคืจอจาะจงทัน ท, ทีเราต้องการจะฆ่าคนนี้เหมาะเจาะ อ, อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกจาะจงถ้าแบบไม่จาะจองก็คือว่าตั้งใจจะฆ่าอีกตัวหนึ่งอีกคนหนึ่งแต่ก็ไปถูกอีกคนหนึ่งเนี่ย ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าการฆ่านั้นแบบไม่จ่อจงคือจะไม่พิจารณาละเอียดมากจะถามบอกว่าทําอัตหนิบาตกรรมเนี่ยนะการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นปานาดิบาตหรือไม่เป็นฆ่าโดยอาวุธเอยกินยาตายเอยเอาเชือกผูกคอเอยกระโดดอาศัยความโกรธต่างๆที่ทําการฆ่ากันทั้งหลายอย่างเงี้ยอาจจะเป็นหรือไม่เป็นผู้ที่มีนิสยัยเบียดเบียนทําลายผู้อื่นเหล่านี้ก็ต้องได้รับคลหาจากผู้อื่น ในเรื่องที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองก็ว่าเออถ้ามาพิจารณาอย่างนี้นะการฆ่าตัวตายเนะี่ยถามว่าในกลุ่มของบุคคลที่เคยทํากรรมเกี่ยวในเรื่องของถาวรประโยคมาก็เยอะนี่นะถาวรประโยคมามากนี่ไอ้กลุ่มพวกนี้จะคอยถูกดักฆ่าตั้งแต่เด็กเกนะีกรรมถ้ากรรมนั้นส่งผลใช่ไหมเมื่อไปเกิดกับพ่อไปเกิดกับแม่ครอบครัวใดเนะี่ยครอบครัวนั้นปรึกษากันดีจัด ก, การน่าออกดีกว่าเหรอเห็นไหมกรรมอะ่ะแต่ครอบครัวนั้นก็ทํากรรมใหม่นะแต่ก็เป็นกรรมของเด็กที่มาเกิด ปฏิสนธิวิญญาณและกะนามรูปที่มาเกิดมาถือปฏิสนธินั้นก็แปลว่าเขาเตรียมวางแผนฆ่าแล้วเขาเรียกว่าดักฆ่าเอาแต่ฆ่าตอนนั้นไม่ได้ผลเขาก็ยังพยายามอย่างอื่นอีกหาวิธีการอีกมากมายนะ อ่ะเพราะคลอดออกมาเน่ยเดียวก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทําให้ต้องให้ถูกฆ่าถึงแม้ไม่ได้ถูกฆ่าจริงๆที่สุดจริงๆก็คือฆ่าตัวตายกลุ่มพวกนี้มาฆ่าตัวตายจนได้เพราะอะไรรู้ไหมก็เหตุปัจจัยมันมาในลักษณะเช่นนั้นเออให้ทําความเข้าใจถึงนี่อย่างทีนี้การฆ่าตัวตายไม่ครบ5ขาดปรปานโอเนี่ยสัตว์อื่นมีชีวิตขาดข้อแรกในข้อที่ว่าสัตว์มีชีวิตนะ่ยมุ่งหมายเอาบุคคลอื่นนะไม่ใช่หมายถึงตัวเอง ถ้าหากไอ้ตรงนี้นี่แหละต้องต้องให้พิจารณาให้ดีถ้าพิจารณาไม่ดีถามว่าแล้วค่าตัวตายเนี่ยไม่เป็นกรรมบกที่ไหมในครบองใช่ไห ม, ไ ม, ไหมถามว่าแล้วเป็นกรรมไหมส่งผลในปฏิสนธิการได้ไหมได้ก็มีไม่ได้ก็มีบางทีมันบวกกันไงไอ้กรรมตัวเนี้ยบวกด้วยกรรมอื่นเขาอีกใช่ไหมเขาปเปิดช่องทางให้กรรมอื่นมาอย่างรุนแรงเลยพากันไปยกทั้งขยงไปเลยนี่ชัดเจนเลยทีนี้เออถ้าหากว่าพิจารณาในเรื่องของกรรมอย่างนี้นะ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลกัมมวิพังกสุตรตัสบอกว่าเหตุปัจจัยในจุลกัมมะวิพังกสุตรงว่าว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้อายุสั้นเพราะฆ่าสัตว์เหตุปัจจัยที่ทําให้อายุยืนเพราะไม่ฆ่าสัตว์เหตุปัจจัยที่ทําให้โรคภัยแค่เจ็บมากคือเบียดเบียนสัตว์เหตุปัจจัยที่ไม่ทําให้โรคภัยแค่เจ็บหรือมีโรคภัยแค่เจ็บน้อยเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์เหตุปัจจัยที่ทําให้ผิวพันธ์ซามไม่น่าดูน่ารังเกียจเพราะโทสะเหตุปัจจัยที่ทําให้ผิวพดดูีน่าัคือ เมตตาเป็นต้นเนี่ยนะเหตุที่ทําให้มีอานาจน้อยก็เพราะความริษยาเหตุปัจจัยที่ทําให้มีอานาจมากก็คือการไม่ริษยาเนี่ยก็พิจารณาเนี่ยแท้จริงมาจะกรรมหมดเลยนะที่ที่ประเด็นตรงนี้ก็คือเกี่ยวกัเรื่องของปาณาติบาปปาณาติบาปเนี่ยนะถ้าพูดถึงในเรื่องของเกี่ยวกับอนันตริยกรรมเนี่ยถ้าไปพิจารณาดูบอกอนันตริยกรรมเนี่ยเมื่อทําลงไปแล้วเนี่ยถามว่าคนที่ได้รับโทษนั้นถามว่าใครตัวเราเอง ฉันในขณะที่เราฆ่าก็ดีใช้คนอื่นฆ่าก็ดีฆ่าโดยตนเองหรือพยายามฆ่าก็ดีเนี่ยการวักสัตว์มีชีวิตรู้สัตว์มีชีวิตมีจิตที่จะฆ่าทำความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์นั้นตายลงเพราะความเพียรนั้นเนี่ยถ้าครบในลักษณะนี้เป็นกรรมบุ ถ้าเป็นกรรมบทก็คือชโนกรรมนั้นส่งผลในปฏิสนธิการได้นะเป็นอะไรเป็นอุปชะเวทนียกรรมในภพถัดไปจากภพนี้ดันดีถ้าเขามีโอกาสก็สามารถแต่งให้รูปนามเกิดขึ้นก็ลงอบายทุคติวินิบาตแล้วก็นรกเออถ้ามาพิจารณาดูอย่างนี้ก็จะต้ให้รู้ว่าโทษของปานาติบาตโทษของปาณาติบาตคืออะไรอายุสั้นโรคภัยแค่เจ็บน้อยมากและยังไม่พอนะดังที่ได้กล่าวบอกว่า ไปไปมามาก็จะต้องลำบากเออในสูตรนี้ท่านยังกล่าวท่านกล่าวในลักษณะไหนหรู้ไหมบางครั้งเ น, เนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยโทษของปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในท้องของพ่อแม่พ่อแม่ก็พอยลำบากไว้ด้วยในกลุ่มบางคนขนาดนั้นจริงๆนะอดอยากหมืนนลนะลำบากถูกเบียดเบียนพอหลังจากไปถือปฏิสนธิในครอบครัวในบ้าน ในท่านผู้ใดแล้วเป็นเหตุเป็นวัจจายให้คนคนนั้นเน่เกิดอะไรสารพัดเลยนะถูกเบียดเบียนถูกลังแกได้รับความเศร้าหมองอว่างนั้นนะผิวพัธุ์ในขณะที่กินอาหารเข้าไปเนี่ยพ่อแม่บริโภคอาหารเข้าไปบริโภคของดีๆเข้าไปเนี่ยไอตัวกรรนี่ก็ไปปิดช่องอาหารอยงั้นไปปิดทำไมทาให้ตัวเองอยู่ในนั้นน่ลำบากผอมเหลืองเป็นโรค สารพัดโรคเลยทีเนี้ยอ้าวคลอดออกมาแล้วยังมีโทษขนาดไหนหรู้ไหมมีโทษขนาดน้ำนมแม่ไม่ไหลกินนมก็ไม่ได้น้ำนมก็ไม่ไหลตัวก็พร้อมเรื่องลําบากนะนีเนี่ยมันมันเบียดเบียนมาตลอดใช่ไหมอกุปลกรรมเนี่ยแต่งให้ในปฏิสนธิการไม่ได้แต่ในประวัติการ ข้าจะไปเบียดเบียนเองเรียงก็อยากจะจององแยในกลุ่มพวกเนี้เพราะอะไรรู้ไหมกรรมมันเบียดเบียเนเราอกุศละกรรมพวกนี้มันจะเข้าไปเบียดเบียนคือเขาไม่ได้จังหวะในปฏิสนธิการเขาก็มาเล่นในประวัติการ บอกไม่เป็นลายถ้าข้าทําให้เองเกิดในอบายภูไม่ได้ข้าจะคอยเบียดเบียนอย่างนั้นเลยคอยเบียดเบียนคอยลังแกคอยกีดขวางต่างๆ น, านาั้นๆถ้าเองจะได้เจริญรุ่งเรืองในด้านของตาหูจมูกลิ้นกายนี่ข้าพระเจ้าจะทําให้ท่านเนะี่ยผอมเหลืองหน้าเกียจไม่ใช่เพียงแค่ น, นั้นถ้าท่านจะมีอาหารกินก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านที่ประโยชนนั้นมืดมิดไม่มีอาหารจะกินนี่ย วัวเอ่ยเอยนี่อยู่ดีๆท่านบอกไม่ไม่ไม่ไม่รีดนมไม่ออกเั่นนั้นเนะ่ยสมัยก่อนเขาเรียกโครักกรรมกิจกรรมในการที่ทําฟาร์มโคเลี้ยงโคเลี้ยงวัวทั้งหลายนี่พวกทําพวกพาณิชยกรรมก็แหมทํามาค้าขายก็แย่พวกนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆงนี่โทษของบรณาติบาทโอ้น่ากลัวจริงเลยนะําไมเราต้องมาทรมานด้วยในที่สุดจริงๆรนะออกมาเบ็ดเสร็จก็เป็นคนเครียดง่ายคิดมากและบางทีก็บ้าหรือไม่บ้าก็ฆ่าตัวตาย ถึงไม่ฆ่าตัวตายคนอื่นก็ฆ่านี่โทษของปาบาติบาเป็นอย่างนั้นทั้งๆที่ตนเองไม่ได้ไปอยากจะฆานะแต่คนอื่นจะฆ่าให้ปกป้องกันดีขนาดไหนถูกฆ่าตายหมดเลยไปที่ไหนก็ไม่ค่อยปลอดภัยเลยพวกที่ทำกรรมประเภทปิบัติามามากๆไม่ปลอดภัยทุกๆ ท, กที่ทุกที่สถา น, นยอยู่ในบ้า น, นดีๆเครื่องเบนก็ตกใส่ ไม่น่าจะโดนไม่น่าจะบาดเจ็บก็บาดเจ็บนี่เป็นนั่งอยู่ในกลุ่มของคนทั้งหลายเนี่ยเขาโยนระเบิดลงมาคนอื่นเขาไม่ตายตายแต่เราเนี่ยตรงนี้หลบอย่างดีแล้วอะไรอย่างดีป้องกันอย่างดีในที่สุดจริงๆมันก็เล่นงานจนได้พระพุทธเจ้าจึงบ อ, บอกว่าในน้ำบนบกบนอากาศ นกบินมากลางอากาศคอยังขาดได้โดนเฉียงปั่นขึ้นไปที่มีไฟไหม้นั่งเครื่องบินดีดีระเบิดตู้เบื <c> ่อ <oughs> นี่เขาเรียกว่าบนหน้ากาศก็ตายในน้ําก็ตายใต้น้ําก็ตายบนบกก็ตายใต้ดินยังตายแล้วขนาดแท็กอยู่ได้ดินหนีแล้วหนีแล้วเดินไปตายอยู่ใต้ดิน <c oughs> นั่นฝันปฏิบัตตามเป็นเล่นงานตรงนั้นน่ากลัวมไหมน่ากลัวนะแต่ยัง ยังไม่คิดจะเริ่กแบบถาวรเพราะยังไม่คิดจะกําหนดแบบรู้ชัดชยังไม่เคยรู้ชัดปาณนาทิบาสถ้ารู้ชัดปาณนาทิบาสแต่นี่โอ้โหไม่กล้าแล้วแต่นี้อภิการต่อไปแต่นี้ในเรื่องของความพิสดารเนี่ยนะในเรื่องของความพิสดานนั้นก็ให้ตามไปดูในไหนให้ตามไปดูในสมัญต์ตาภาษาทิกาอัตกถาในพระวินยนะัยเนี่ยเล่มที่สองพราะไตรวิตกเล่มสองใช่ไหมไปเปิดดูอยากได้ความพิศดานนะในกาลวิจิตุกาก็เอามาขยายอยู่เหมือนกัน ออประการต่อไปก็คืออธินนาทานอธินนาทานเนี่ยนะการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ชื่อว่าอธินนาทานก็คือการลักของผู้อื่นเนะี่ยชื่อว่าเถยยะเทยยะเนี่ยอธิบายว่าเป็นกริยาของโจรเทยยจิตนั่นเป็นเป็นกริยาของโจรถามว่าถ้าอธินนาทานเนี่ยมาจากคาว่าอธินนาบวกอาทานนะอะบวกทินนาบวกอาทานเนี่ยอะ น, น, น, นั้นเป็นคําปฏิเสธทินนานี่ยป็นวัตถุสิ่งของที่ที่เจ้าของอนุญาตให้ อาทานก็คือยึดถือเอาถ้ารวมไปแล้วเป็นอาทินนาทานนะมีสามบทนะอะบทหนึ่งทินนะบทหนึ่งอาทานนะบทหนึ่งสามบทนี้แหละเขามาแยกอะปฏิเสธทินนะคือวัตถุสิ่งของที่เจ้าของอนุญาตให้ถ้าทินนะเนี่ยเขแปลว่าอนุญาตให้เจ้าของนั้นอนุญาตให้ถ้าอ่ะก็คือปฏิเสธใช่ไหมอาทานตัวนั้นแปลกันกว่ายึดถือเอาการถือเอาเนั่นเองรวมกันแล้วก็คือว่าอาทินนาทาน ยึดถือเอาวัตถุสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตให้หรือไม่ได้ให้พูดให้ช้าๆก็คือของที่เจ้าของหวงเห็นอทินหน้านี่คือวัตถุสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตให้นะหรือที่เรียกเขาเรียกว่าเจ้าของหวงเนี่ยนะหมายถึงไม่ได้อนุญาตให้โดยการเขียนหนังสืออนุญาตหรือหยิบยื่นให้ด้มือหรือใช้กริยาการให้รู้ว่าอนุญาตให้เช่นเสือกใสให้เงี้ยคำว่าเสือกใส่ให้คือยังไงนี่เสือกให้เอาไป อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกเสือกใส่ให้บางทีก็ใช้เท้าเขี่ยให้เคยเห็นไหมที่ใช้เท้าเขี่ยให้นะเราก็เคยใช่ไหมอันนั้นก็ถือว่าให้ใช้เท้าเสียงเขี่ยให้ก็ได้หรือใช้กิริยาการอนุญาตให้บางครั้งก็พยักพยเยิ้ดให้อย่างนั้นก็เรียกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวยงไม่รายละเอียดเยอะจริงๆถ้าไปดูในพระวินัยนะ่เป็นข้อที่เข้าใจยากที่สุดคืออาทินนาทานนะอย่าลืมนะอาทินนาทานนี่เข้าใจยากมากที่สุดนะเกี่ยวกับเรื่องของวาจาในการอนุญาตให้นั้นเรียกว่าอาธานหรือการยึดถือเอาลักขโมยก็ได้ ก, การจี้การป้นการวิ่งราวการข่มคูการช่อโกงเหล่านี้นะสับเปียนเนี่ย สับเปลี่ยนนี่ก็เป็นนะในใจว่าเอออย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นอธินาทานไม่ใช่ถ้าหากว่าศึกษาในเรื่องของอธินาทานดีๆเราจะเห็นความวิจิตพิสดารของที่เราเคยทํากรรมมาก็เยอะเอาว่าที่เราเราเคยทำเลยไม่ต้องคนอื่นทําแล้วทีนี้อธินาทานเนี่ยณทินณอธินาง ใ, ในวัตถุสิ่งของที่เจ้าของแม่อนุญาตให้หรือสิ่งของที่เจ้าของหวงแหนนี่นะอทินาทานเนี่ยนะการยึดถือเอาวัตถุสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตให้เนี่ย อันนั้นนั่นเรียกเขาเรียกว่าอาธินาทานถ้าบุคคลทั้งหลายยึดถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเ ข, งขาหวหงแหนด้วยธรรมชาตินั้ น, นธรรมชาติที่เป็นเหตุแห่งการยึดถือเอาสิ่งของนั้น เ, นเป็นอธินาทานนะถ้าถามถึงว่าธินาทานเนี่ยในการลักเนี่ยเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการลักนั้นเถอยะเจตนานั้ น, นได้ประโยคะเท่าไหร่บอกสองประโยคะกายประโยชคะการขโมยด้วยกายกับวัจีประโยชคะใช้วาจาล่อลวงใช้วาจาล่อลวงได้ไหม พอพูดถึงตรงนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะแค่เรื่องอะไรเขาจะจำได้ว่าเดี๋ยวพยายามนึกอยู่เนี่ยศึกษามานานจัดเออเรื่องเรื่องการที่ไปซื้อของออคนคนนี้ก็คื อ, อพูดเป็นเหรียญก็แล้วกันพอไปถึงก็คือว่าต้องการที่จะไปซื้อเนื้อซื้อซื้ อ, อ, อสัตว์เนี่ยนะเป็นแกะนั่นเองแกะ แค่สตัวตัวหนึงราคา2เหรียญอีกตัวหนึงราคา1เหรียญพอไปถึงก็เลยบอกว่าตัวนี้เท่าไรบอกตัวเล็ ก, กเ น, กก น, น, นี่ย1เหรียญแคคาวบอกหนึ่งกหาปน้าในตํนานเงีย้ยแต่สมัยก่อนตัวนี้สอประมาณ2กหาปหน้อนนหรือว่า1มาศก2มาศกแต่มาศกก็มากกว่าแต่จําไม่ได้นะจานวนแต่เป็นลักษณะเงีย้ยก็บอกนี้เท่าไรบอก1กหาปหน้าแตัวนี้2บอกถ้า ง, งั้นเอาตัวนี้พอซื้อเบสเซ็ปก็เดินไปสักพักหนึ่งแล้วก็จูงเนื้อนั้นกลับมา พะจุงกลับมาก็มาถามบอกว่าอตกลงไม่เอาแล้วขอตัวใหญ่ขอซื้อตัวใหญ่อซื้ อ, องไงก็เงินนี้ไอ้วัวตัวนี้ท่านตีราคาหนึ่งเหรียญใช่ไหมกใช่อ่านี่แล้ขวข้าเจ้ามีเงินอีกหนึ่งเหรียญใช่หมกใช่้ไปเอาวัวตัวใหญ่ไปถามว่าลักขนาดเงี้ยทาถูกไหเห็นหมกี้ดูกนี้ังงงแต่จริงจริงเนี่ยคืออธินาทาน เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าองอในเรื่องของอาทินนาทานนะทีนี้ไปดูในบ้างกายประโยคน้าวาจีประโยคน์ข้าจะใช้วาจาล่อลวงดังที่ได้ ก, กล่าวเนี่ยเจตนาที่จะลักของผู้มีความสําคัญในสิ่งของของผู้อื่นที่หวงแหนนั่นว่าเป็นของที่เขาหวงแหนอันเป็นสมูฐานแห่งความพยายามที่ ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้นั้นว่าเป็นอธินาทานท่านพูดถึงในเรื่องของคําว่าองค์ประกอบของอธินาทานเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูองค์ประกอบเขาหน่อยทีนี้องค์ประกอ บ, ข อ, นนอกอบของเขาก็คือว่าการกระทําอธินาทานที่จะก้าวล่วงกรรมบทนั้นน่ยนะประการแรกคือวัตถุสิ่งของที่มีเจ้าของเก็บรักษาไว้นี่คือประการแรกเลยนะแล้วก็ว่าโดยวัตถุสิ่งของนั้นก็มีเจ้าของเก็บรักษาไว้ด้วยของนั้นน่ยมีเจ้าของ เก็บรักษาไว้แล้วว่าโดยวัตถุสิ่งของนั้นก็มีเจ้าของเก็บรักษาไว้ด้วยประการต่อมาคือมีจิตคิดจะรักทำความเพียรเพื่อจะรักแล้วก็ได้สิ่งของนั้นมาลักษณะอย่างนี้ถึงจะครบ องค์ของประโยคประโยคของความเพียรของความพยายามที่จะรักทีนี้อธินาทานนั้นน่ะถ้ากําหนดอย่างนี้กําหนดถึงลักษณะของการว่าโทษมากโทษน้อยความเพียรพยายามด้วยตนเองให้คนอื่นรักโดยการใช้วาจาหรือเขียนหนังสือรอบทิ้งวัตถุเช่นรักรอบเอาสิ่งของที่ต้องเสียภาษีทิ้งออกไปให้พ้นเขตลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเป็นเป็นประโย ค, คะประโยคของความ